บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปสมาทานศีลสมาทานเบญรมฐ า, านแล้ววันนี้เราก็มาทบทวนความรู้เดิมกันอีกและก็จะต่อไปถึงอรหัตมรรมเบื้องตน้นหราับการศึกษาเดิมในระับแรกเราศึกษาื่ารรมเป็นสมาธิ คือพื้นฐานเดิมก็มีการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่สนหรับ ก, กรรมฐานทั้งหมดอันนี้เราสามารถทรงได้กี่นาทีที่จะทรงอยู่ได้ตามลำดับ <c oughs> นี่ต้องทบทวนต้นไปเสมอ นับปการที่สององค์เฮมปะโซดาบันเอมปะโซดาบันมีศีลบริสุทธิ์เป็นสําคัญและมีความเคารพในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธธรรมะสงฆ์นี่เป็นองค์จุดใหญ่องค์มปะโซดาบันเราทําได้แล้วหรือย่างอารมณ์ของเราทรงอยู่ได้แล้วหรือย่างนี่สมหรับเฮะโซดาบันที่จะกล่าวโดยเจติยาตัวหนึ่ง มีบรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราส่งได้ไหมประการที่สองมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตานุสติก็มีฐานสี่แล้วก็มีฮิลิโลฮิลิโลตปะมีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์อันนี้เราส่งได้แต่ไหน ทรงได้ครบถ้นหรือไม่นี่ทวนกำลังใจเราอยู่เสมออย่าทำใจให้มันล อ, อยไม่อย่าปล่อยอารมณ์ผู้ซ่านน้อมไปด้านได้ของผู้สนจงคิดว่าถ้าเราไม่สามารถจะทรงความเป็นประสดา บ, บันไว้ได้เตือนใจไว้เสมอว่าเราเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วก็เสียชาติเกิด เพราะว่าเราจะต้องทนทุกขท์ทรนารยจะไปนับกับไม่ทวนถ้าทรงความเป็นประสดาบันไม่ได้เราก็จะมีการเกิดเพียงแค่มนุษย์กับเทวดาหรือกมเป็นแดงของความสุขแล้วก็จะเป็นมนุษย์โดยจากัดชาติไม่ชาติก็เป็นอาณาักรผลที่ถ้าเราส่งอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ตอไปร้วลังของความแบ่งสกิทาคามี สกิทาคามีมีจริยาทั้งหมดเหมือนกับระโสดาบันแต่เรื่ ว, ว่าระงรับความโลภได้มีด้อาการมีจาคานสติกรมฐานเป็นอารมณ์และปฏิบัติด้วยแล้วก็ระงรับความโกรธตจอการทรงพรมิหันสีเข้มข้นจงถึงถึงขั้นอภัยทาน คือให้อภัยกับคนที่มีความผิดไม่เสียโทษกดเพื่องไม่ดึงเอาไว้นานๆทพ่ที่ว่าไม่มีพยาบาทไม่จองล้างไม่จองผลานบุคคลคนนั้นมันเท่าความหลงมันได้มากกว่าประโสดา บ, บันนอกจากเ็าจะไม่ทิ้งความตายเป็นอารมณ์แล้วก็เห็นโทษของกายเกิดเห็นโทษของกายมีสรรพาว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่เป็ น, นกายของพระสิกขาคามีเราทำได้แล้วดยอย่างโดยเพราะอย่างยิ่งอารมณ์ปลิธานเรามีความจับแน่นหนาขึ้นนี่ต่อไปสำหรับครานาคามีเราษารกันมาแล้วพระนาคามีตัดสังโยตได้อีกสองตัดได้หลุดขาดนั่นก็คือกรามรมฉันทะเห็นโทษของกามมาคุณ การสเสวยกรรมคุณเป็นไปด้วยความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ซึ่งเราจะเห็นได้ไ ง, ไง่ายๆที่คนแต่งงานเขาไม่มีอะไรเป็นสุขอยู่คนเดียวเป็นสุขดีกว่ารองคู่เขามาต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่งถ้ามีลูกมีหลานมีเละขึ้นมาก็กทุกข์มากหนักขึ้นและการมาคุณไม่ได้โทษไม่ได้คุณแต่าการใด ดึงมาซึ่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลามีความใข้ไม่มีที่สิ้นสุดเราคนเดียวมีความปรารถนาวัตถุชิ้นเดียวถ้าเปอยู่สองครองคู่ปรารถนาวัตถุสองชิ้นและสองเท่าถ้าว่ามีลูกมีเจ้าก็มีความปรารถนามากขึ้นต้องลาบากมากขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่เราพิจนารณาแล้วเพิ่มการยึดตานุสติกับสุปสั ญ, ญิยาืับสุปรกรรมฐานมากขึ้นจนกระทั่งเกิดจิตตกรรมารวมในขาดุดขาดโดยมาเทียบกับร่างกายว่าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายของเขาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขามันเป็นเรือนร่างที่จิตอาศัยโช่วราดังเอาความ แต่วตัดความกำหนัดในเพศและในสีสันวรณณะที่ใดหมดไม่มีความหลงไม่มีความปรารถนาในสีสันวรณณะและเพศใดๆจึงกระทั่งความรู้สึกในการมารุมหายไปเหยือแท้สนิทแล้วก็สัญโญาข้อที่สองคือปฏิฆะซึ่งหลักพระสีทาคามีมีความโกรธเบาบางความโกรธเกิดขึ้นให้อาภายัยนี่แสดงว่าความโกรธเบามาก สำหรับพระอนาคามีไม่โกรเลยตัดอารมณ์ปฏิฆะคือการกระทบใจหายไปมีแต่วความเมตตาปราณีก็สู่ใจนีสำหรับพระสิกขาคามีกิดเทคนอีกครั้งเดียวก็ปณิธานสำหรับพระอนาคามีตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือคนกุณิภานบนนั้น มีความรู้เดิมเราเรียนึกษาก็มาได้ทั้งทียงนี้เราทำได้แค่ไหนวัดกำลังใจไว้ให้เป็นปกติตอนนี้สำหรับพระอรหันต์ความจริงถ้าเป็นพระอนาคา ม, มีและเป็นพระอรหันต์ไม่ยากเพราะกิเลสยากทั้งหมดเราทำลายลงไปได้ก็ได้และะ้วจากพระอนาคา ม, มี สำหรับเรหาหันเราก็หนึ่งเราไม่เมาในรูปประปฌานสองเราไม่เมาในอรูปประปฌานนี่ก็หมายความว่าเรามีความเราก็พอใจในรูปรลลรประปฌานและวรูปประปฌานเหมือนกันต้องทรงไม่เป็นปกติแต่จิตใจของเราไม่ยับยังอยู่เชียงนี้ว่ารูปประปฌานดีแต่ว่ารูปอรูปฌานดีดีเกินไปกว่าที่เราไม่ต้องการอย่างอื่น มีความรู้สึกอยู่เสมอว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นกำลังใหญ่สำหรับจิตที่จะกดกิเลสให้จมลงไปแต่มันยังฆ่าไม่ตายทำใจให้มั่นคงมีอารมณ์หนักอารมณ์ตอนนี้ยังหนักอยู่จะมีความมั่นคงจับจิตแน่นเราจะสังเกตได้ท่านดีทรงอยู่ในแค่นี้หรือตำกวนันนี้จะพูดน้อยเคลื่อนไหวน้อยและมตาตะวังตัวมาก ตอนนี้ถ้เราเห็นว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นของดีก็จริงแหละแต่ถ้าว่ายังไม่ถึงที่สุดที่เราจะต้องปฏิบัติเราก็มีความไม่ประมาทก้าวต่อไปตอนนี้ความจริงระวังให้ดีนะเราอาจจะเปลีวเราเป็นอาหารหันต์ไปเสียก็ได้าอารมณ์อารมณ์ของเรามันอยากอยู่แล้วในเมื่อเราทําลายความอยากของจิตได้เราจิตมันเบามีความปลอดโปรง่งมีความเป็นสุข าอารมณ์ขการรักในเพศ ร, รักสีสันวรณณะไม่มีอารมณ์แหงความโกรธไม่มีเราไม่มีความประมาทในชีวิตเราอาจจะคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์ในอย่างนี่เราก็พิจารณาต่อไปว่าการไม่เมาในรูปประชานและรูปประชานเนี่ยไม่ขอไม่ยากเป็นเพียงใช้นนชกําลังจิตก้าวเข้าไปหน่อยเดียวก็ใช้ได้ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตอนนี้ยังดีไม่พอ ตอนนี้สำหรับการก้าวต่อไปนี่เป็นของหนักนั่นก็คือการตัดมานะความถีตัวถีตนก็นาคามีนี่ยังมีมานะการถีตัวถีตนการการที่เข้าเข้าไปตัดมานะก็ตัดกันตรงไหนความจริงที่เหล็กทั้งหมดตัดตัวเดียวที่สกายะที ถ้าไรูเห็นว่าแต่ภาพแรงกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัวอย่างเดียวเราก็หมดความรู้สึกที่ถือตัวถือตนเราถือตัวถือ ต, วตวนว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบ้างเราเลี้ว่าเขาบ้างเอาอะไรไมันเป็นเงวัดเอาฐานะเอาศักดิ์ศรีเอาวิชาความรู้เอาสภาพ สภาวะที่คงอยู่เป็นเครื่องเยียวยามก็อย่างนั้นหรือม่นก็ผิดทางนั้นอะไรมันจะดีขั้นห้าของเราก็บขั้นห้าของเขาเนะี่ยดูที่อะไรมันจะดีกว่ากันเขามีอาการสามสิบสองเราก็มีอาการสามสิบสองแล้วมันเหมือนกันไหมอาการสานสิบสองของเขากับอาการสามสิบสองของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเหมือนกัน มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ากลางเหมือนกันมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันนี่เป็นจุดแรกที่เราจะพึงมองเห็นแล้วเราก็ลงไปนั่งวัดตัวไอ้เราดีกว่าเขาชั่วของมันตรงไหนเอาเงินเอทองที่มีมากกว่ากันมาเป็นเครื่องวัดเย่งนั้นหรือได้เงินทองมันห้ามความแก่ห้ามความป่วยห้ามความตายห้ามความทุกข์ได้ไหม มันก็ไม่ได้เพื่อนว่าเราจะมีทรัพย์สินสัตว์อะไรก็ตามทีเราก็ต้องแก่ต้องป่วยต้องตายมีทุกข์เหมือนชาวบ้านน่าอะไรมาดีกับเขา่ตอนนี้หากว่าเราจะมียศธรรมบรดาศักอ้ยศธรรมบรดาศักมันช่วยเราดีอะไรขึ้นมาบ้างช่วยมาให้เราแก่ได้ไหมช่วยมาให้เราป่วยได้ไหมช่วยมาให้เราตายได้ไหม ช่วยไม่ให้เรากระทบกระทั่งกับอ่ากดคุณธรรมดาคือโลกจะทำได้หรือเปล่าไม่มีไม่ได้มันห้ามไม่ได้นี่เอาตระกูลมาเป็นเครื่องวัดเราเกิดเป็นชาวตระกูลเขามาหาเศรษฐีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็หาบุญดีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็สัตว์บ้างเกิดเป็นตระกูลผู้คนน่างผู้ใหญ่บ้างแล้วก็ต้นตระกูลของเรานดีกว่าชาวบ้านอย่างนั้นหรือ ต้นตะกุ่เขาจะบานเขาตายเป็นแถวแถวต้นตะกู่เขาตายหรือเปล่าต้นตะกู่เขาจะบานของเขามีความป่วยไข้ไมส่สบายต้นตะกุ่ เ, เรามีความป่วยบ้างไหมต้นตะกุ่นเขาเขาแก่ของเราต้นต้นตะกู่เราแก่เป็นไหมมันก็เหมือนกันอีกในเมื่อสภาวะเหมือนเหมือนกันแล้วก็มองไปดูอีกที ว่าจิตที่เกาะคันห้าเกาะจิตที่ถือมันมีมานะทิถีเป็นสาคัญถือว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวเขาแล้วมันเป็นจิตดีและจิตสามเราก็จะเห็นว่ า, าการมานะตัวนี้สร้างอารมณ์จิตให้เป็นทุกข์ถ้าเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราก็มีเพื่อนน้อยแล้ว เพราะอะไรก็คนที่เราเห็นว่าเขาเลวกว่าเขาต่ําต้อยกว่าเราเนี่ยเขาเลวกว่าเราต่ําต้อยกว่าเราเราก็คบเขาไม่ได้ในเมื่อมีคนประเภทนั้นเข้ามาใจเรากเกิดความไม่สมบายในการไม่สมบายอย่างนี้พระองคเขลียดเขาจิตมาเป็นศกเป็นทุกข์เป็นอันว่าคนเราหาเพื่อนยาก เมื่อมีเพื่อนน้อยความทุกข์มันก็มากความชื่นอกชื่นใจมันก็ไม่มีนี่เมื่อเวลาเข้าไปสัมผัส ก, กับเพื่อนตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าเราเสมอเขาเราเท่ากับเขาคนเท่ากันตรงไหนไอ้คนเท่ากันจริงๆนะี่ยมันจะต้องเกิดเมื่อเสมอกันแก้ด้วยกันพร้อมๆกันป่วยพร้อมๆกันหิวพร้อมๆกัน ตายพร้อมๆกันในความรู้สึกต่างๆมันจะมีความสม่ำเสมอกันหมดเขาสุขเราสุขเขาทุกข์เราทุกข์แต่การอย่างนี้มันมีสําหรับเรากับเขาสม่ำเสมอกันไหมไม่มีต่างคนต่างมีความรู้สึกต่างคนต่างปรากฏทางกายเสื่อมโทมไม่สม่ำเสมอกันเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกัน แต่เดา ว, ว่าเรากับเขามีสภาวะต่างกันเราหิวเขายังไม่หิวเราป่วยเขายังไม่ป่วยเรามีความทุกข์เขายังมีความสุขนี่มันไม่เสมอกันแล้วเราก็จะไปตั้งหน้าตั้งตาคิดว่าเราเสมอกับเขาได้ยังไงไอ้ตัวการที่าเราเสมอกับเขาก็มันเป็นการทะเยอะทะอยาน การคิดว่าเราดีกว่าเขาเป็นการขคค่มขูถ้าเยอะทะยานคิดเราโน่งตนเมื่อตนเป็นใหญ่ถ้าเราคิดว่าเราเสมอเขาไม่ก็เสียอีกเพาบางคนเขามีเจตเจริยานเรวเราคิดว่าเรากับเขาเสมอกันเราก็ต้องพยายามเร็วตามเขาให้ความเร็วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขตอนนี้ถ้าหากว่าเขาดีกว่าเรา ถ้าเราดีไม่เท่าเขาเราคิดว่าเราดีเท่าเขาก็เกิดความประมาทความประมาทอะไรมีการเฉยสยายคิดว่าเราดีก็เป็นการทำลายความดีที่เราจะมืแสวงหาต่อไปเป็นอันว่าการที่คิดว่าเราเสมอเขามันก็เป็นส่วนแห่งความเร็วตอนนี้ต่อมาอีกข้อหนึ่งเราคิดว่าเราเร็วกับเขา ตอนนี้ก็เป็นการทำลายความดีของตนเองจิตใจมันก็หาความสุขไม่ได้หมดเป็นอันลภ ก, การถือตัวถือตวนว่าเราเสมอเขาก็ดีเราดีกว่าเขาก็ดีเราเลวกว่าเขาก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ทีนี้เราจะวางใจยังไงที่จะสบายอาการที่เราจะสวางใจในตอนนี้ก็วางใจที่ผิวว่า สราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรดัมพิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกปริทิวาทุกขโทมนัสสุภาญาติความเศร้าโศกเขียใจเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากการเกิดไใ้การเกิดที่มันมาจากไหนมาจากกิเลสตัณหาปุาทานและกสศลกรรมเป็นอนวุวางใจถึงกลาง ใครจะดีใครจะชั่วยังไงก็ช่างเราทำใจไว้เสมอเห็นคนใดเขาดีก็ยินดีกับเขาเห็นคนใดเ้ามีความสม่าเสมอก็เราโดยธรรมเราก็พอใจเห็นใครเขาเลวกว่าเราเราก็แสดงธรรมะสังเวชว่าเขาไม่น่าจะระมัดในชีวิตควรจะคิดปรับปรุงตัวควรจะคิดปรับปรุงใจให้มีความดี เป็นอันว่าเราจะไม่เหยียดหยามใครเราจะไม่ตีเสมอใครเราจะไม่ข่มขู่ใครรักษากําลังใจของเราให้เป็นสุขอารมอย่างนี้ไม่มีมีอารมณ์อย่างเดียวที่เราเรียกกันว่าอุเบกขาวางเฉยเขาเรียกกันว่าอพยากรไอ้คำอุเบกขาวางเฉยตัวนี้มันไม่ไม่ไม่ไม ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสุขแล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์มันเฉยเป็นธรรมดาใครเขาจะไงก็ช่างปรับปรุงใจเท้าไร่มีความสุขเห็นคนดีเข้ามาให็นคนเสมอเรามาให้คนเลวเข้ามาเราก็มีจิตใจเชื่นบานตลอดเวลาไม่เยียดไม่ย้มไม่ข่มขู่ไม่ตีเสมอทําใจสบายไปกลางกลาง ถ้าทำใจอย่างนี้ตัวมานะทิฐิมันก็ไม่มีมานะทิฐินี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ระวางให้ดี <c oughs> มันจะดึงเราให้จมลงไปในอบายภูมิได้แต่หาว่าเป็นพระนาคามีแล้วอีกตัวมานะทิฐิเลยมันนิดเดียวยังมีความรู้สึ ก, กว่าแม่นี่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ ว, ว่าจิตยังประกอบไปด้วยความไม่ตาปราณีมาก การทนงตนเมื่อคนที่มีกิเลสหนาะไม่มีนี่เป็นอนุว่าการทรงอภานาคามีมีมานะอยู่นิดหนึน่งนะฮไม่ใช่หยากอย่างที่พูดมามันกี่นี้เมื่อที่พูดมาแล้วเมืเ่อสักครู่นี้ก็หมายความว่าเป็นมานะของคนที่มีกิเลสหนาะวิปุตชนสาหรับพระนาคามีมีเพมีหางสี่ครบพ้นแล้ว เวลานี้เราก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหัตธรรมแต่ในตัวมานะถือตัวถือตนมันมีอยู่นิดเดียวยังมีความรู้สึกอยู่ว่าเราเป็นกษัตริย์มีความรู้สึกว่าเราเป็นคุ้นางผู้ใหญ่มีความรู้สึกอยู่ว่าเรามีฐานะดีมีฐานะจนอยู่ในเพศอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอารมณ์อย่างนี้มันก็มีนิดเ่ียวไปแค่ไปอนุสัยเท่านั้น ไม่มีปัจจัยที่ให้เกิดโทษไม่มีปัจจัยที่ให้เกิดทุกขนะ์หนักแต่ว่ามันก็ไปอารมณ์ทวงยังไม่สามารถให้เราก้าวเขาเ้าไปสู่พระนิพพานในชาตินี้ได้ฉะนั้นจึงวางอารมณ์เสียใครเขาจะยังไงก็แฉงเขาจะดีเขาจะชัว่วเขาจะเดนเขาจะเลวเขาจะยังไงก็าตามเถอะไม่สนใจ เห็นหน้าคนเราคิดไว้เสมอว่าเป็นคนที่เราควรแกการปราณีเห็นหน้าสใสแล้วก็คิดว่าเป็นสัตว์ที่คนรแกการปราณีพยายามไม่ถทีวตนคนและสายก็ตามเที่ว่ามีธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเสมอกันมีอาการสามทิศสองเหมือนกัน มีความเกิดขึ้นในเมืองต้นมีความเปลี่ยนแปลงในกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเหม้นกันสร้างอารมณ์ให้เป็นสังขารปิฆ า, ายานในวิปัสสนาญาณอย่างนี้การระงับการถือตัวถือตนย่อมเป็นของไม่ยากอย่ามองคนได้ฐานะอย่ามองคนได้ศักดิ์ศรีอย่ามองคนได้ความรู้ความสามารถมองคนเป็นเพียงว่า สภาพของเขาเป็นวัตถุเหมือนสภาพของเราจิตใจของเราพร้อมในการเมตตาปราณีไม่ถือตนเขาจะมาในฐานะเชิ้นใดก็ช่างถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดใส่กําหนดอารมณ์อย่างนี้เราก็สามารถจะกํจาจัดตัวมานะความถือตัวถือตนจนได้ยีนาา่นี้เรียกว่าอรหัตมรรมตอนนี้อรหัตมรรมนี่มันยังไม่หมด อุทจจะตัวสำคัญคำว่าอุทจจะแปลว่าอารมณ์พู่สัน่นยังมีความต้องการนอกเหนือไปจากพันพานั่นก็คือหมายความว่ารู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นสุขี่บางครั้งมันเกิดความพอใจคิดว่าดีเราจะทำไปทำไมเนาะดิ้นรนไปทำไม ในเมื่อเราเป็นพระอนาคามีแล้วตายเป็นเทวดาแล้วพร้อมเราก็มีทานบนนั้นบางครั้งมีอารมณ์ประมาทอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ประมาทแต่ด้านของอกุศลประมาทในการย้ำยับย่างจิตของตนว่าทําไปก็เหนื่อยหน่ายเปล่าๆใจเราก็สบายแล้วเราตายเป็นพรหมก็เป็นเทวดาแล้วก็ไปนิพพานเรายับยั้งความดีไว้แค่นี้ดีกันไหม บางครั้งมันมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเาเรียก่าวว่าเป็นโทษนี่มันก็ไม่เป็นไอ้โทษไอ้ทัานเนี่ยมันไม่เป็นแต่ว่ามันเป็นการกักตัวเองว่าในชั่วขณะหนึ่งตอนนี้ท่านอย่างไรเราก็ตั้งใจไว้โดยเฉพาะรักษารม์อุปสมานุสติกรมฐานเป็นอารมณ์ว่าแกนิดหนึ่งเราจะไม่พึงให้มีในชีวิตของเรา เราต้องการพระนิพพานในชาตินี้โดยสรุปตัวไทยเสทันทีคือตัดอวิชชาความโง่มานั่งไข้ควนว่ามนุษย์โลกคนดีเทวโลกคนดีพรทมโลกคน ด, กกดีเป็นดินแดนที่ไม่พ้นความทุกข์ความทุกข์มันมีก็เราได้ทุกขน์นักจิต เราเป็นมนุษย์แต่มไปด้วความร้อนความหนาวความหิวความก็หายความปวดความเมื่อยปวยไข้มีความไม่สบายมีความตายเป็นสุดมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ของชาวโลกไม่เปลี่ยนเรื่องโลกมนุษย์ไม่ดีเทวโลกกับพรทมโลกไปพักความดีอยู่โชกกล่าวไม่มีความหมายใจของเราตั้งกอนอย่างเดียวคือผลิตภัณฑ์มีพลิตภัณฑ์เป็นอารมณ์ ถ้าจิตถึงตอนนี้ระเบนดาท่านพุทธบริษัทจิตจะเบามากเหมือนก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยจิตวันสมสมบายกำลังฌานที่เราเคยมั่นคงโกฏิรมนิ่งมีความหนักมันจะสลายตัวไปแต่ว่าจิตใจเราเรามีความสุขจะกระทบกระทั่งอา ก, การอย่างใดก็ตามทีไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมีความลาบากไม่มีอะไรที่จะมีความหนัก ไม่มีอะไรที่จะทําจิตใจของเราให้เราร้อนแล้ยินเสียงคนด่าก็สบายใจคิดว่าเขาไม่น่าจะทําความชั่วเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้ยินหิงใครเขาสรนเรินเราก็ไม่มีความสุขใดๆไม่ไม่ไม่ไม่ใส่กลอนรู้สึกว่าความสันเสริญไม่มีความหมายเราดีขึ้นมาได้ไม่จะใสยการสันเสริญหรือว่าถ้าเราไม่ดีก็ไม่จะใสยการแช่งด่าเขาบุกคนใด เหตุความดีจะมีขึ้นมาได้แล้วไม่มีดีไม่มาความไม่ดีจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเราปฏิบัติเท้านั้นให้จิตใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททรงได้อย่างนี้เรียกว่ า, ราอรหัตผลอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนต่อเทนี่อยการเวลาเขาสมควรแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงลำวงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปฏิญาสายทิ่งกว่าจะดีมสัญญาบอกหมดเวลา